วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่รมผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆสำหรับธรรมที่จะมาแสดงให้กับท่านได้ฟังในวันนี้มีชื่อว่าส่วนประกอบของชีวิต พวกเราทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์และรวมไปถึงพวกสัตว์เิราชานมีส่วนประกอบของชีวิตเหมือนกันทุกๆคนทุกๆสัตว์ส่วนประกอบของชีวิตนี้มีอยู่ห้าส่วนด้วยกันทางภาษาธรรมะเราเรียกว่าขันห้าคำว่าขันก็แปลว่าส่วน ขันห้านี้มีห้าส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเราเรียกว่ารูปหรือรูปประขันรูปก็คือร่างกายที่เราเห็นกันด้วยตาของร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นรูปประขันมีอาการสามสิบสองเป็นต้นส่วนที่สองเราเรียกว่าเวทนาขัน เวทนาแปลว่าความรู้สึกเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือความรู้สึกที่เป็นส่วนประกอบองค์ที่สองของชีวิตของพวกเราส่วนประกอบองค์ที่สามของชีวิตของพวกเราเรียกว่าสัญญาสัญญาขัน สัญญานี้แปลว่าความจำได้หมายรู้เช่นจำคนนั้นจำคนนี้ได้จำเสียงคนนั้นจำเสียงคนนี้ได้จำกลิ่นชนิดนั้นจำกลิ่นชนิดนี้ได้หรือจำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตจำชื่อคนนั้นจำชื่อคนนี้เรียกว่าสัญญาขัน หรือเรียกสั้นๆว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ส่วนที่สี่เรียกว่าสังขารขันสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งเช่นเราคิดจะมาวัดอย่างนี้เรียกว่าสังขารเป็นผู้คิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดอยากจะไปทาสิ่งนั้นอยากจะไปทาสิ่งนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่ง และขันธ์ที่ขันธ์ที่ห้าเรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณนี้แปลว่าคือผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผธพะมาให้กับใจมาให้กับธาตุรู้ใจคือธาตุรู้ใจเป็นใจเป็นผู้ที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ร่างกายนี้ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายนี้ทามาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมตัวกันก็ปรากฏเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาเช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามีปอดมีหัวใจมีตับ มีผังผืดมีไตมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะมีน้าดีน้ำเสลน้าเหลืองน้าเลือดน้าเงือน้ามันค้นน้าตาน้ามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้าไขข้อน้ามูด นี่คือส่วนประกอบของรูปประขันคือร่างกายรูปประขันคือร่างกายเป็นหนึ่งในขันห้าส่วนอีกสีขันนี้เป็นนามมธรรมบางครั้งเราเรียกขันทั้งสี่นี้ว่านามขันส่วนร่างกายนี้เราเรียกว่ารูปประขันรูปประขันมีหนึ่งนามขันมีสี่คือมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีเวิญนญาณ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นคุณสมบัติของาธาตุรู้หรือใจหรือดวงวิญญาณเวลาที่ทาธาตุรู้นี้อยู่ตามลำพังไม่ได้มาเชื่อมกับร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเช่นเวลาที่คนตายไปร่างกายตายไปใจที่มาเชื่อมกับร่างกายก็จะแยกออกจากกัน ใจก็จะอยู่เป็นดวงวิญญาณไปแต่ก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้หายไปเหมือนกับร่างกายร่างกายเวลาตายไปร่างกายจะหายไปเพราะว่าส่วนที่มารวมตัวกันคือธาตุทั้งสี่ธาตุาดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้จะแยกตัวกัน เช่นเวลาคนตายนี่ธาตุธาตุที่แยกออกจากร่างกายไปก่อนก็คือธาตุลมลมไม่เข้าแล้วมีแต่จะลมลมจะลมออกมาเป็นระเหยมาเป็นระเหย อ, ออกมาตามทวารต่างๆของร่างกายแล้วถ้าทิ้งไว้ต่อไปร่างกายน้ําต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมาจนในที่สุด เ, เดี๋ยว ก่อนที่จะมาถึงธาตุน้าต้องมีธาตุไฟก่อนลมไปก่อนพอตามพอลมไปแล้วธาตุไฟก็ตามไปทำให้ร่างกายของคนตายนิ้เย็นไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็น mm hmm. พอแสดงว่าธาตุไฟได้แยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วเ mm hmm. หลืออยู่แต่ธาตุดินกับธาตุน้า mm hmm. พอลมไปแล้วธาตุไฟไปแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้า ธาตุน้ำก็จะแยกออกจากธาตุดินน้ำก็จะระเหยหรือจะไหลออกมาตามทวารต่างๆทิ้งให้ร่างกายแห้งกรอบไปในที่สุดแล้วก็ผุพังไปกลายเป็นดินนี่คือรูปประคัคือร่างกายของพวกเราทุกคนทามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ mm hmm. เรานี่อยู่ที่ใจใจเป็นผู้สง่งเวลาใจสง่งส่งกระแสใจมาครอบครองร่างกายใจก็ไปถือเอาร่างกายว่าเป็นใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเราขึ้นมาด้วยความคิดของใจเอง mm hmm. ใจก็คือธาตุรู้ ที่มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดได้พอได้ร่างกายมาครอบครองก็เลยไปเอาว่าไปตัวเอาว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาดูร่างกายอย่างท่องแท้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่แตเพียงธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ มาประกอบกันเป็นอาการสามสิบสองแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนคนผู้สูงอายุแล้วก็เป็นคนแก่แล้วในที่สุดก็เป็นคนตายคนเจ็บแล้วก็กลายเป็นคนตายไปพอตายไปถ้าทั้งสี่ที่มารวมตัวกันก็แยกไปแยกทางกันไป ธาตลมไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ำเหลือแต่ธาตุดินธาตทิ้งร่างกายไว้ในนิสุดมันก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือส่วนของธาตุดินพอุจาระบอกว่าไม่มีตัวตนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาส่วนธาตุอีกสี่ธาตุนี้ ส่วนส่วนขันอีกสี่ขันนี้คือเวทนาสัญญาสังขารเวีย ญ, ญานี้อันนี้มันเป็นคุณสมบัติหรือเป็นความสามารถของธาตรู้คือใจอยู่เป็นคุณสมบัติของใจมากับใจไปกับใจไม่ตายไม่หายไปเพราะใจนี้เป็นธาตรู้เป็นธาตุที่ไม่ตายเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้เขาไม่ตาย ธาตุดินก็ยังอยู่ธาตุน้ำก็ยังอยู่ธาตุลมธาตุไฟก็ยังอยู่แต่อยู่ในในลักษณะที่เป็นธาตุรวนๆเวลาที่แยกออกจากร่างกายไปส่วนส่วนธาตุรู้คือใจนี้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นคุณสมบัติเป็นความสามารถของใจที่จะมีความรู้สึกที่จะมีความจำได้หมายรู้ ที่จะมีความคิดปรุงแต่งแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่จะสามารถไปเชื่อมต่อกับร่างกายได้ด้วยการส่งกระแสของวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่ไปได้ร่างกายอันใหม่เช่นตอนนี้ร่างกายของพวกเรากับใจนี้เชื่อมต่อกันอยู่เราจึงมีขันห้าครบบริบูรณ์ทั้งห้าขัน เรามีรูปประคันก็มีร่างกายแล้วเราก็มีเวทนาขันมีความรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึ ก, สกทุกข์ไม่สุกขไม่ทุกข์แล้วก็มีสังขารความคิดปรุงแต่งคิดจะทำนื่นคิดจะทำนี่คิดจะพบกับคนนั้นคิดจะพบกับคนนี้อะไรเป็นต้นอันนี้เ้ว่เป็นความคิดปรุงแต่งแล้วสัญญา ก, ก็คือจำได้หมายรู้จำคนนั่นได้ว่าเป็นใครจำคนนี้ได้ว่าเป็นใคร จำสถานที่นั้นสถานที่นี้ได้เรียกว่าสัญญาความจําได้หมายรู้แล้วก็วิญญาณก็เป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกดินกายของร่างกายนั้นขันห้านี้เป็นเป็นการร่วมร่วมร่วมทำงานร่วมกันของสองส่วนคือกายกับใจกายก็คือธาตุสี่ดินน้าลมไฟใจก็คือธาตุรู้ ใจก็ไม่มีตัวตนเหมือนกับร่างกายไม่มีตัวตนเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติเหมือนกับธาตุาของร่างกายธาตุสีของร่างกายดินน้ำลมไฟก็เป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนแต่ใจมีความสามารถที่จะคิดต่างๆได้ก็เลยไปคิดสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยความหลงของใจเท่านั้นเองใจเป็นผู้สร้างด้วยเป็นผู้คิดว่า ผู้คิดนี้เป็นใจผู้คิดนี้เป็นเราผู้ที่มีความรู้สึกนี้เป็นเราผู้ที่จำได้หมายรู้นี้เป็นเราผู้ที่รับรูปเสียงกิจล้นมาเป็นเราเป็นต้นแต่ความจริงไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นธาตรู้ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดยั่งยืนถาวรก็คือธาตรู้แล้วก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟ แ ต, แต่แต่สิ่งที่มีอยู่ในใจที่คุณสมบัติของ<ม>สี่อันนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนี้ท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ตายไม่ได้หายไปนะไม่ได้เกิดไม่ได้ไม่ได้ดับแต่มีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเช่นเวทนาคือความรู้สึก<ม>ตอนนี้เรามีความรู้สึกสุขบางทีเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกทุกข์ รู้สึกไม่สุกไม่ทุกข์เช่นเวลาเราหิวข้าวมันก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขึ้นมานแล้วพอเราได้กินข้าวอิ่มก็เกิดมีความรู้สึกสุขขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่หิวไม่อิ่มเราก็มีความรู้สึกกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมานมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกทั้งสามนี้มันไม่ได้อยู่คงที่ มันขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยที่จะมาทำให้มันเปลี่ยนไปบางทีเราก็มีความรู้สึกสุขบางทีเราก็มีความรู้สึกทุกข์บางทีเราก็มีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เนื่องจากที่เราสิ่งที่เราสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสรับรู้นั่นเองตาไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา้าไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่เราชอบ ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวทนาก็เลยไม่เที่ยงไม่เที่ยงในที่นี้หมายถึงไม่ไม่ไม่ไม่มีอย่างเดียวไม่ไม่สุขอย่างเดียวหรือไม่ทุกข์อย่างเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปในสามอย่างนี้เปลี่ยนจากสุขเปลี่ยนจากสุขไปเป็นทุกข์เปลี่ยนจากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เปลี่ยนจากไม่ทุกข์ไม่สุขกลับมาทุกข์ใหม่หรือสุขใหม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มากระทบ ทางตาหูจะมุกลิ้นกายและความรู้สึกนึกคิดด้วยความรู้สึกนึกคิดก็ทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปได้ไม่เที่ยงนามขันทั้งสี่นี้ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงคิดไปคิดมาคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องน้นต่อคิดถึงคนนั้นแล้วก็คิดถึงคนนี้นี่เรียกว่าไม่เที่ยง ไม่เทียงก็คือไม่ไม่คิดอยู่เรื่องเดียวคิดอยู่หลายเรื่องด้วยกันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่เทียงเดี๋ยวรู้รูู้ปคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้รูปรู้เสียงคนนั้นเสียงคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจั ย, จจยที่มากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาที่ใจก็เหมือนกัน วิญญาณก็รับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวรับรูปนั้นมาเดี๋ยวรับเสียงนั้นมาเดี๋ยวรับกลิ่นนั้นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครควบคุมบังคับมันได้ไม่มีใครสั่งมันได้เช่นไม่ไม่สามารถไปสั่งให้มีแต่สุขก็เวทนาเพียงอย่างเดียวให้มีความรู้สึกสุขอย่างเดียวไม่ให้มีความรู้สึกไม่ไม่สุขหรือไม่ทุกข์หรือ ไม่มีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นห้ามมันไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารูปเสียงกีรรถบางครั้งก็เป็นรูปเสียงกีนรถที่ให้ความสุขกับเราบางครั้งมันก็ให้ความทุกข์กับเราบางครั้งมันก็ให้ความไม่สุขไม่ทุกข์กับเรามันให้เฉยๆกับเรา อันนี้แหละคือขันห้าหรือห้ส่วนประกอบ5ส่วนด้วยกันที่พวกเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือให้รู้ว่ามันร่างกายรูปประขันนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงในลักษณะที่มันมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่งมันก็จะแยกตัวกลับคืนสู่ที่ของมันไปธาตุดินก็กลับไปอยู่กับดินธาตุน้ําก็ไปอยู่กับน้ำํำธาตุลมก็ไปอยู่กับลม ธาตุไฟก็ไปอยู่กับไฟร่างกายก็หายไปสังเกตดูคนตายปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วจากโลงนี้ไปแล้วหายไปไหนแล้วเพราะว่าเขากลับไปสู่ธาตุเดิมของเขาธาตุที่มารวมตัวเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามที่ตายไปแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วธาตุที่มารวมตัวกับร่างกายนี้ก็แยกไปร่างกายที่เราเห็นก็หายไปทนั้นเอง ไม่มีใครตายเพราะร่างกายนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟมันแยกตัวกันไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนผู้ที่มาครอบครองร่างกายก็คือธาตุรู้คือใจถ้ารู้นี้ก็ไม่ได้ตายพอร่างกายตายไปธาตุรู้เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแล้วก็อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในโลกทิพย์อยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ ถ้าทำบุญไม้มากกว่า บ, บาปเวลาที่ร่างกายตายไปบุญนี้ก็จะดึงให้ดวงวิญญาณหรือธาตุรู้นี้ไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่กับความสุขต่างๆสวรรค์นี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะดึงให้ไปอยู่ในอบายหรือในนรกอบายนรกก็เป็นที่ที่มีความทุกข์ไม่มีความสุข อ บ, บาลที่เป็นที่เป็นดวงวิญญาณก็มีอยู่สามคือเป็นเปรตเป็นอนุสรกายเป็นนรกถ้าได้เกิดได้ถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่เขาอยู่ทุกข์มากกว่ามนุษย์เพราะเขาต้องดิน้นรนหาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาของเขาเองแล้วเขาก็มีภัยอันตรายรอบตัว ม, มากกว่ามนุษย์มนุษย์เรานี่อยู่กันอย่างสุขอย่างสบาย พอประมาณห้าสิบห้าสิบมีสุขบ้างมีทุกบ้างแต่ไม่ร้าเท่ากับไม่ทุกมากเท่ากับการเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>สัตว์เดรัจฉานนี้เขาเป็นเหมือนเป็นทั้งเป็นผู้ที่ไปฆ่าผู้อื่นแล้วเป็นผู้ที่จะถูกฆ่า<ม>เป็นอาหารไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาอาหารมารับประทานแล้วก็จะกลายเป็นอาหารของผู้อื่นของสัตว์ที่ใหญ่กว่าเขาจึงอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา แต่มนุษย์นี้เราไม่ฆ่าฟันกันเราไม่กินกันเราก็เลยอยู่กันอย่างปลอดภัยแต่ก็มีมนุษย์ที่เร็วซามต่าช้าที่ไม่มีความจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ก็มักจะไปสร้างสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับมนุษย์ผู้อื่นตรกนี้เราก็ถือว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี่ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ก็จะมักถูกจับไปขังในคุกในตาราง เพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำร้ายมนุษย์ของผู้อื่นนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้หลังจากที่ร่างกายของเราที่เป็นธาตุสีนี้ย่อยฉลายไปธาตรู้ที่มาครอบครองที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนี้ไปกับธาตุรู้แล้วก็ไปอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปว่าเราทำบุญหรือทำบาปอย่างไหนมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาปบุญจะส่งผลก่อนถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญบุญบาปก็จะส่งผลก่อนถ้าถ้าไปอยู่ถ้าบุญมากกว่า บ, บาปก็เป็นอยู่ในสวรรค์การที่เราจะรู้ว่าเราอยู่ในสวรรค์และอยู่ในอบาบนี้เรารู้ได้อย่างไรเราก็สามารถรู้ได้ตอนที่เวลาที่เรานอนหลับนี่แหละ เวลาที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนเราตายชั่วคราวร่างกายตายชั่วคราวร่างกายนอนนิ่งเฉยๆแต่ใจคือถ้ารู้นิ้มยังทำงานต่อตอนที่นอนหลับนี่เรามักจะมีความฝันกันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างนี่แหละคือสวรรค์หรือนรกถ้าเราฝันดีก็เป็นสวรรค์ถ้าเราฝันไม่ดีฝันร้ายก็เป็นนรกเป็นอบาย และสาเหตุที่เราฝันดีหรือฝันร้ายก็คือบุญหรือบาปนี้ที่เราได้ทำกันมาจนถึงวันนี้นะถ้าถ้าส่วนถ้ายอดของบุญมีมากกว่ายอดของบาปบุญก็จะส่งผลทำให้เรานอนหลับฝันดีอันนี้แหละคือสวรรค์เวลาที่ร่างกายตายไปจริงๆเพราะตอนที่นอนหลับร่างกายก็เหมือนตาย เห็นแต่ว่าตายชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่พอร่างกายตายไปหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วอันนี้แหละใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันฝันดีถ้ามีบุญมากกว่าบาปก็จะฝันดีเรียกว่าสวรรค์ฝันดีก็มีหลายระดับฝันดีมากดีน้อยสวรรค์นี่มีหกระดับด้วยกันหกชั้นด้วยกันส่วนอบายก็มีความฝันลาย ขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่าเราเราทำบาปด้วยเหตุอะไรถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะฝันร้ายในลักษณะของของหิวของผู้ที่มีกระดัความหิวโหอยอดอยากขาดแคลนที่เรียกว่าเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นอสุลกายเราก็จะฝันแต่เรื่องที่นหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมด้วยความโกรธเกลียด<ม>ตาต่อตาฟันต่อฟันเราก็จะฝันแต่มีแต่เรื่องค่าฟันกันต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา<ม>นี่แหละคือลักษณะของช่วงที่ธาตุรู้หรือดวงใจดวงจิตหรือดวงวิญญาณนี้ไม่มีร่างกายก็จะอยู่ในลักษณะนี้อยู่ไปจนกว่าบุญที่ได้ทำเอาไว้หรือบาปที่ได้ทาเอาไวน้นี้หมดกาลังลง ไม่สามารถให้อยู่บนสวรรค์ได้หรือไม่สามารถให้อยู่ในอบายได้เวลานั้นท่านรู้นี้ก็จะมารับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วพอมาเกิดใหม่พอออกมาจากท้องแม่ก็มาทาตามที่เคยอยากจะทำเพราะในใจในท่านรู้นี้ยังมีกิเลสตัณหาอยู่กิเลสตัณหาก็คือความอยากหาความสุข อยากตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วก็ใช้ร่างกายนี้พาไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะในใจมีตัณหามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็จะใช้ร่างกายนี้ให้ไปหาเงินหาทองหายศหาตําแหน่งหารางวีรางวัลต่างๆแข่งกีฬา ประกวดนางงามแสดงภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆเพื่อให้ได้รับรางวัลที่เรียกว่ารางวัลชมชื่นชมยินดีเรียกวัาสรรเสริญ <Yeah. S 2> แล้วก็ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <Yeah. S 2> ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปพ <Yeah. S 2> อร่างกายใหม่ตายไปก็ไปเป็นอยู่เป็นดวงวิญญาณใหม่อีกรอบหนึ่ง <Yeah. S 2> แล้วก็ใช้บุญใช้บาปไปจนกระทั่งหมด ก็กลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มาสอนวิธีว่าเราสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการชำระความโลภความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไป เพราความโลภความอยากนี่เป็นตัวผลักดันให้ดวงวิญญาณของเราไปเกิดใหม่เรื่อยๆไปได้นั่งกายของมนุษย์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถกําจัดความโลภความอยากความหลงต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ใจเราก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปใจเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปและวิธีที่จะทำให้เราตัดความอยากความโลภความโกรธความหลง ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติสข้อด้วยกันข้อหนึ่งเรียกว่าทานทําบุญทาทานข้อสองเรียกว่าการรักษาศีลไม่กระทําบาปทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปเวณไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มสุราย า, มาเมาเป็นต้นแล้วถ้าเราอยากจะซักฟอกจิตใจให้สะอาดเราก็ต้องเพิ่มการรักษาจากศีลห้ามาเป็นศีลแป เพื่อเราจะได้ตัดการไปเสพกามต่างๆเพราะถ้าเรายังเสพกามอยู่เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้าเรายังไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องยุติการเสพกามไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่หาความสุขจากการกินการดืม่มมากจนเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินแล้ว ก, ไวก ah em, ๆๆ็ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกาย ไม่หาความสุขจากนอนบนที่นอนที่สําราญที่นอนมากที่สุขที่สบายมากเกินไปนี่คือศินสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปซักพอกจิตใจกําจัดความโล้ความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปอยากใจจําเป็นจะต้องอาศัยศินแปดขึ้นไปศินแปก็ได้ศินสิบก็ยิ่งดีใหญ่ศินสองรี่สิบก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งมีศินมากก็ยิ่งทําให้การซักพอกนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ต้องซักข้าวออกจากใจก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาสมถภาวนาคือการทําใจให้นิ่งให้สงบก่อนเวลาใจนิ่งใจสงบใจก็หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถหยุดได้อย่างถาวรออกจากสมาธิมาความโลภความโกรธความหลงก็จะกลับมาทํางานใหม่ อ้าอยากจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เวลาออกมาจากสมาธิแล้วต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความโลภความโกรธ ค, ความหลงนี้จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่หามาน่ากี่ครั้งก็หมดไปทุกครั้ง ดังถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงจะทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่สามารถบังคับหรือสั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวได้เมื่อเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะหยุดความโลภความอยากในสิ่งต่างๆได้หยุดความโลภความอยากในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพราะเรารู้ว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขพะเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็น การสิ่งที่สิ่งต่างๆที่เราไปหาอยู่นี่รุ่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็หยุดเสียไม่มีใครอยากจะทุกกันไม่มีใครอยากจะต้องมาร้องหย่ร้องไห้กันถ้าเป็นถ้าอยู่คนเดียวร้องเหงาไปมีแฟนเดี๋ยวแฟนตายไปจากไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งทุกข์กว่าตอนตอนก่อนที่จะมีแฟนซิถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่มีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวถ้าทุกข์ก็หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่านั่งสมาธิไปให้ใจมีความสุข ความทุกข์ก็จะหายไปได้ น, นี้แหละคือเรื่องราวของส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราที่มีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วการเวียนว่ตายเกิดของพวกเราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากจนนับด้วยตัวเลขไม่ได้ถ้าอยากจะนับต้องนับด้วยการดูประวานของน้ําตาที่เราไหลที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติทุกครั้งที่เรามาเกิดนี่เรา้งเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กัน ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราร้องไห้นี้มาสะสมเอาไว้มารวมตัวกันนี้ของทุกภพทุกชาติเนี่ยเราจะมีน้ำตามากก็ยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสินี่แหละคือปริมาณของความทุกข์ของปริมาณของภพชาติที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาแล้วจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ สามข้อทั่านเองทําทานรักษาศีลแล้วก็ซักพอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตะภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญ า, าเราทําทั้งสามข้อนี้ได้สมบูรณ์เราก็จะยุติตการเวิยนว่ายตายเกิดได้จิตที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเราก็เรียกว่านิพพานที่เป็นบรลมมสุขนิบานังปรามังสุขขังนี่แหละคือเรื่องราวที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็พอดีเวลาที่ได้กําหนดไว้ประมาณสามสิบนาทีก็ได้หมดลงแล้ว ก็ขอยุติการแสดงทาไว้เพียงเท่านี้เพื่อเราจะได้แบ่งเวลาอีกสามสิบนาทีมาให้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปทุกครั้งที่เรานั่งสมาธินี้เราเราก็ได้หยุดความโลภความอยากไว้ไว้ส่วนหนึ่งก็ภพชาติที่เกิดจากความโลภความอยากส่วนนี้ก็จะไม่มีถ้าเรานั่งบ่อยๆนั่งมากๆเข้าภพชาติก็จะหดหดตัวเข้าไปน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วถ้าเราใช้ปัญญาตัดด้วยปัญญาทีพบชาตก็จะหมดไปในที่สุดได้ตอนนี้เราจําเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติกันแล้เบื้องต้นเราได้ศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรเราต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงเราต้องหยุดด้วยสมาธิก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาหยุดด้วยปัญญาตอนนี้เรามาหยุดด้วยความด้วยสมาธิก่อนวิธีที่ทําให้ใจหยุดนิ่งเราต้องมีสติสติแปลว่าการระลึกรู้ให้สติ นี้บังคับใจให้ละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ที่จะกล่อมให้ใจนิ่งให้ใจสงบเราเรียกว่ากรรมฐานเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกหรือการสวดมนต์ด้วยการเพ่งดูกระดูกก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เรามีอารมณ์ผูกไว้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดถ้าเราผูก ถูกใจให้อยู่กาลรมได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานใจก็จะนิ่งสงบเอาใจสงบแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็จะตัดความโลภความอยากในความสุขของทางโลกได้ความสุขของราบยศสรรเสริญความสุขของลูกเสียงกลิ่นรถโพธิภพได้เมื่อตัดได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปเราต่อไปนี้ ขอให้เรามานั่งสมาธิกันให้มีสติแล้วเลิกเล้อลยอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพุทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้บางท่านจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้พุทเข้าโทออกก็ได้ถ้าดูลมก็ดูที่ปลายจมกูกดูหน้าท้องเอาที่ใดที่หนึ่งถ้าจะดูหน้าท้องก็ดูที่หน้าท้องจุดเดียวถ้าจะดูที่ปลายจมูกก็ดูที่ปลายจมกูกจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ไม่ต้องไปบังคับให้ลมหายใจสั้นหรือหายใจยาวให้ดูเฉยๆให้ระเ ล, ะ ล, ะลกรู้เฉยๆอยา่าแล้วก็มีอะไรมาแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีความคิดแทรกเข้ามาก็อย่าไปคิดตามมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามเสียงมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยากจะทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบ นี่คือวิธีการง่ายๆของการนั่งสมาธิถ้านั่งแล้วยังดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้เข้าใจคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจสวดสวดบทไหนที่เราจําได้จะสวดอิติปิโสผักกวาไปก็ได้สวดพุดทธังสระนังกระชามิไปก็ได้หรือส่วบนบทยาวเช่นบทธรรมจักรก็ได้บทสติปัฏฐานก็ได้แล้วแต่เราสวดเพื่อให้ใจหายฟุ้งซ่าน พอหายพุ่งซ่านแล้วเราก็กลับมาดูลมหือมาพุโทโธต่อวิธีการมันง่ายๆแต่ทำยากเพราใจเรามันไม่ยอมอยู่กับอารมณ์มันชอบไปกับความคิดเรื่อยๆพอเรารู้ว่าเราเผลอไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตามรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องดึงกลับมาที่กรรมาฐานให้ปลูกใจให้อยู่กับกรรมาฐานทำบ่อยๆเขาต่อไปมันก็จะไม่ไปเองพอมันไม่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมา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 แลวจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้ได้อย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะความอยากนี้จะไม่ทาให้สงบได้ต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อย mm hmm. ก็หมั่นไปเจริญสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ เกิด ข, ขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไปภายในใจทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆและเวลามานั่งสมาธิเราจะมีสติที่ดีขึ้นและจะสง บ, บได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นและต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรมติสาคะลัง เอวเมววัตุทินังเปตานังปกปติยิจิตังปติตังตุมังทิปเมววัสมิจตุสภีปุริตุสัง a ปาจันโทปนาราสุยาธาไมโชติราสุยาธาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภาวตวันตรายอสุขิจีขายุโกภาวะอภิวาทนาศิริสานิจจงวุทาปจายโนจตารุธรรมวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลั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 วิทยุออนไลน์สิคลับเฮาส์หหน้ากุฏิอิรวม763ค่ะยังไม่มีคำถามนะมีค่ะคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k คุณนาวินพระที่บวชมาแล้วยังมีหนี้จากการพนันแล้วนำเงินที่ได้จากการเรียรายไปใช้หนี้ผิดพระวินัยไหมครับคือปัจจัยเขาก็ไม่ได้ กำหนดตายตัวแต่โดยหลักก็ให้เอาไปใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์เช่นปัจจัยสีเช่นอาหารจีวรที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคแต่จะไปใช้อย่างอื่นก็ไม่มีใครเข้ามาตามจับเมนก็แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะมีปัญญาที่จะรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนนะหรือไม่อย่างไร ใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้นะมีไมโครโฟนให้ให้พูดถามเองจะได้ถามได้อย่างเต็มที่จะได้รายละเอียดถ้าฝากคนลื่นถามบางทีอาจจะเขียนมาไม่รายละเอียดเท่าที่ควรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีผู้ที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่ คือเรื่องการถวายเงินให้กับพระนี้ดั้งเดิมนี้ตอนที่พระเจ้าทรงประกาศศาสนาใหม่ๆท่านไม่ได้ท่านห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทองเพราะช่วงใหม่ๆนี้ผู้ที่มาบวชนี้ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นท่านไม่มีกิเลสท่านไม่มีความลาบากกับอะไรท่านสามารถอยู่ตามมีตามเกิดได้แต่ต่อมามีผู้เริ่มสายศรัทธามากขึ้นที่มาบวช แล้วก็มาจากฐานะที่ค่อนข้างจะสูงอมาจากครอบครัวที่มีเงินทองมีฐานะเคยอยู่บุกอยู่สุกอยู่สบา ย, อยพอมาบวชแล้วต้องมาอยู่แบบขอทานนี้บางทีก็มีปัญหาขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ที่จำเป็นที่จะต้องมีแต่ไม่ได้จากการบินตบาดก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขอให้ รับเงินบางส่วนเพื่อเอามาใช้ในเรื่องปัจจัยสี่อาจจะเป็นอาหารก็ดีอาจจะเป็นยาก็ดีเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุนลมอนุญาตให้รับได้แต่ไม่ให้รับแล้วเก็บไว้กับตนเองไม่ใหเอาไปใช้เองให้เอาไว้ฝากไว้กับวายาวจกรคือผู้ดูแลรักษาเงินไม่ให้ถือว่าเงินนั้นเป็นของพระถือว่าเป็นของโยมฝากไว้เผื่อเวลาจาเป็นต้องการอะไรก็ไปบอก คนที่เขาเก็บเงินไว้ว่าต้องการเอาเงินนี้ไปซื้อยาซื้ออาหารบางชนิดที่อาจจะจาเป็นต่อการดำรงชีพอย่างนี้ก็เลยมีการอนุมีการผ่อนผันให้พระรับเงินได้แต่มีเงื่อนไขคือไม่ให้เก็บเอาไว้เองไม่ให้เอาไปใช้เองเวลาจะใช้อะไรจะซื้ออะไรนี้ให้ลูกศิษย์ให้คนที่เขาเก็บเงินนี้ไปไปซื้อให้แล้วก็ถ้าเกิดลูกศิษย์เบี้ยวบอผมเอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ไป ไปฟ้องล้องเอาคืนไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเงินของพระเป็นเงินของญาติโยมก็มีเพียงแต่บอกญาติโยมที่เอาเงินมาให้ว่าลุกเิร็จคนนี้เขาเบี้ยวแล้วเงินที่โยมาให้เขาไปใช้หมดแล้วตาปียาไปฝากเขานะเดีย๋ยวจะหาคนอื่นที่ไว้ใจได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือที่มาที่ไปของการรับเงินรับทองกับการไม่รับเงินรับทองของพระในยุคแรกๆนี้คนที่มาบวชเป็นคนที่เข้มแข็ง อดทนอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดได้นอนกระดินกินกระส่ายได้เป็นเป็นพระอริยบุคคล mm hmm. พวกนี้เขาเลยไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับการขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่างเขาสามารถปรับตัวเขาให้อยู่กับสิ่งที่เขาขาดแคลนได้ไม่เดือดร้อนมีคําถามเข้ามาไหมมีเจ้ค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กคุณทวินนี่หากเรามีศีลแล้วกําลังฝึกสติสมาธิ แต่ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลภพชาติจะสั้นลงไหมคะหรือพอเกิดใหม่ก็เซตศีโรจํานวนชาติเท่าเดิมคือการมีศีลหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่การสมาทานศีลเราสมาทานได้มายัางพันเตติสระเนสนะสหปัญจศีลานิยาจามะแล้ะ ว, ว่าไปลาเวนจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในกรรมอันนี้เป็นเพลงการตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาศีล จะมีหรือไม่ก็ต่อเมื่อเวลาเกิดคนที่เข้ามาทําอะไรให้เราโกรธนี่เราจะไปทําร้ายเขาหรือไม่เห็นในสิ่งที่เราโลภเราอยากจะไปขโมยของของเขามาหรือไม่อันนั้นต่างหากคือการมีศีลเรายังไม่รู้ในขณะที่เราสมาทานศีลแต่ถ้าเรายังไม่เจอเหตุการณ์ที่มามาล่อใจเราพูดง่ายๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีศีลหรือไม่ถ้าเราไปเจอ เงินของคนอื่นเขาตกตกทิ้งไว้เราเก็บเอามาใช้เองหรือาจะเอาไปคืนเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปคืนเจ้าของก็แสดงว่าเรามีศีลเราไม่ต้องการเงินของคนอื่นเงินไม่ใช่ของเราเขาไม่ได้อนุญาตให้เราเราก็เอาไปคืนเขาถ้าถ้าไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหนก็วางเงินไว้ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะเป็นต้นนี่ถึงจะรู้ว่าตัวเใดมีศีลหรือไม่ คนเขาถามอะไรเราเร า, เราพูดโกหกหรือไม่อันนี้ก็จะรู้ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลไม่ใช่อยู่ที่การสมาทานแล้วจะถือว่ามีศีลเลยโดยอัตโนมัติการสมาทานนี้เป็นการแจ้งเจตนาลมความตั้งใจว่าจะรักษาศีลเท่านั้นเองแต่จะมีหรือไม่นี่อยู่ที่การรักษาเรารักษาศีล น, นี้ได้หรือเปล่าแล้วเขาถามว่าไงนะ ข้อถามว่าเขาภาวนาฝึกสมาธิแต่ยังไม่ได้ระดับพระอริยบุคคลภพชาติจะสั้นลงไหมหรือพอเกิดใหม่ก็ต้องเซตสีร่รูปจานวนชาติเท่าเดิมก็มันถ้ายังเป็นขั้นไม่เป็นขั้นพระอริยะนี่มันยังตัดไม่ขาดมันอาจจะสลบไปนับแปดเดี๋ยวพอมันมีแรงมันกลับขึ้นมาสู้ใหม่ได้แต่ถ้าเป็นพระอริยะมันตัดเป็นนับสิไปเลยอยงั้นแ น, น, น่นอนก่าถ้าเป็นพระอริยะนี่เหลือเจ็ชาติเลยขั้นแรก สโสดาบารณีจะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าขั้นที่สองก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวการเป็นมนุษย์ขั้นที่สามก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดในพรหมโลกแล้วขั้นที่สี่ก็ไม่กลับมาเกิดทั้งหมดเลยไม่เกิดเป็นพรมไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอยู่ในนิพพานต้องเป็นขั้นพระอริยะบุคคลจึงถือว่าการตัดภบชาตินี้ตัดแบบเด็ดขาดตัดแบบไม่ฟื้น นั่งมวยก็นับสิบเลยไม่นับแปดถ้านับแปดนี่คืลุกขึ้นมาสู้ได้อยู่สมาธินี้เหมือนกับทาให้คู่ต่อสู้เราน้มลงไปนับแปดแต่เดี๋ยวมันลุกขึ้นมาได้มันก็มาสามารถเอากิเลสมาสู้กับเราได้อามาแล้วขาพระจามมาอยู่วัดแล้วอยู่ที่ไหนอยู่วัดค่ะอะถ้าอาวิชาดาับเออ อตัวกองสังขานะคะที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณค่ะจะดับไหมคะไม่ดับสังขารอย่างที่เทศวันนี้ให้ฟังมันเป็นของไม่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะท่านนี้คิดตามอวิชามันก็คิดตรงกันข้ามกับวิชาค่ะคิดอวิชามันคิดว่าให้เราเห็นว่าสุขขังนิจจังสุขังนัตตาพอเราเอวิชาดับเราก็เปลี่ยนมองให้เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไปคิดไปทางนั้นไปทางตรงกันข้ามกัน เข้าใจไหมตอนนี้เราคิดเห็นได้นนั่นก็สวยนี่ก็สวยอันนันก็น่ารักอันนี้ก็น่าดีออันนี้แสดงว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเรามีปัญญาปัญญาเข้ามาฆ่าอวิชชาปัญญาสอนใจให้มองว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราสังขารมันเป็นเครื่องมือเข้าใจไหมสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นเครื่องมือ แล้วแต่เราจะคิดไปในทางไหนคิดไปในทางที่ทำให้เรางง่ก็ได้คิดไปในทางที่ทำให้เราฉลาดก็ได้ค่ะพอเข้าใจคะ่ะแต่ยังไม่ลึกซึ้งใช่คะ่ะมีอีกหนึ่งคำถามเอาเลยเช่น่อยนะเอ่อทำไมในระดับพระนาคามีคะ่ะท่านไปอยู่มายถึงว่าถึงมีอะไรที่ทำให้ท่านไม่กลับมาเกิดได้อีกคะ่ะท่านเห็นหน่าสุภาษณ์ไงเห็นร่างกายของคนว ไม่สวยไม่งามเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นอาการสาวสิบสองเห็นโครงกระดูกก็เลยไม่มีความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนคนที่ไม่ไม่อยากจะมีแฟนก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้ที่มาเกิดกันในโลกนี้เพราะอยากจะมีแฟนอยนเท่านั้นค่ะแล้วแล้ ว, ลวท่านอยู่ในที่ ส, สถานที่หนึ่งแล้วใช้ตัวนั้นตี ท่าอยู่ในสมาธิขั้นระดับสมาธิรูปฌปานปปค่ะรูปฌานนั่นแนหะคือเอพอมาโลกเป็นเป็นภพอของผู้ที่ได้รูปฌปานหรือรูปฌปานแล้วก็จะอยู่ในในสมาธิไปค่ะแล้วแล้ ว, ล ว, ลวถ้าถ้าท่านจะบรรลุ อ, อรหันต์ท่านจะต้องทำยังไงถึงจะบรรลุในนั้นได้คะอ๋อท่านต้องออกจากรูปฌานรูปฌานไม่ไปติดในรูปฌานรูปฌานท่านท่านยังหลงว่ารูปฌานนี้เป็นสุขอยู่ แต่มันเป็นทุกข์พรมันเป็นสุขชั่วคราวครัยังเป็นแนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ต่อไปท่านพิจารณาเห็นว่ามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเวลาไม่ได้เข้าชานมันก็ทุกข์ก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาชานดีกว่าพอไม่เอาชานไม่เอาอะไรใจก็เลยกลายเป็นนิพพานไปสงบไปสุกอิ่มไม่หิวความอยากยังเป็นความหิวอยู่พอตัดความอยากไปแไล้วความหิวหายไปความอิ่มก็เข้ามาแทนที่ได้เขาเพิ่มคนค่ะ ไปถึงไม่ยังสงสัยเฉยๆค่ะ <c oughs> ระวังนะคนเราบางทีคิดแล้วคิดว่าพอคิดเป็นแล้คิดถูกแล้วคิดว่าตอนนี้มันรู้นะความคิดยังไม่บรนรู้นะมันต้องเป็นจริงในใจของเราแต่มันไม่เหมือนกันบางคนนั่งคิดโอ้ยเข้าใจแล้วโสดาบันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเราก็ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแต่ยังไม่ไปเจอของจริงรไม่รู้เวลาเจอของจริงจะกลัวหรือไม่กลัว ยังก่กด้วยอย่างขึ้นแก่แล้วโอเคอนะสาทุคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะสี่ข้อสี่เป็นข้อที่ทำได้ยากวิธีปฏิบัติที่ง่ายควรทำอย่างไรครับหูบปากสิง่ายจะตายไหมถ้าไม่ถ้าพูดความจริงไม่ได้ครับอย่าไปพูดนั่นเองมีเข้ามาอีกจัน ค่ะคือหนูเคยภาวนาแล้วหนูตามพุทโธาคา่ะแล้วก็ดูลมหายใจาคา่ะแต่ว่าจิตก็เหมือนไม่ได้ที่จะนิ่งอะคา่ะแบบเป็นสมาธิอะคา่ะเคยพยายามหลายครั้งแล้วแต่มีประมาณสักสองครั้งที่เหมือนหนูเห็นหลับตาแล้วเหมือนดูแสงมันเห็นเป็นแสงสีขาว อ, าาอ่ะค่ะอหนูจะรู้สึกว่ามันมันนั่งสมาธิได้นานมากแต่หนูไม่มั่นใจว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิ หรือเปล่าค่ะไม่หรอกใช้แสงก็ได้ถ้าเราสามารถเพ่งอยู่ที่แสงนั้นแทนลมก็ได้อ๋อได้ใช่ไหมคะ่ะอื้แล้วแสงนั้นก็อาจจะทําให้เราสงบก็ได้จิตสงบได้อ๋อค่ะหายใจขอบคุณจ้ะเป็นการเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นเหมือนเรียกเขาเรียกว่ากระสิ น, นี่ยเสีขาวสีเขียวสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแสงก็เหมือนสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็เพ่งอยู่กับที่แสงไอ้มันมีสีขาวอยู่ในใจเราตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เหมือนดูลมหายใจแทอที่จะใช้ลมก็ใช้แสงได้อได้เหมือนกันนะมันดูเสี่วมันจะสงบไหมสงบค่ะเคยเคยเข้าได้สองครั้งแต่อเก็ใช่อย่างนั้นไปก็ได้แต่แต่คนไม่เหมือนกันกรรมฐานนี่มีต้องสี่สิบชนิดด้วยกันอ๋อค่ะอาจายโอเคขอบคุณค่ะเหมือนอาหารกรรมฐานเหมนอาหารมีหลากหลายในล้านอาหารเนี่ยเราสามารถเลือกได้ เอาเข้าเข้าผัดเอาก๋วยเตี๋ยวหรือเอาอะไรแต่กินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันกรรมฐานก็เหมือนกันใช่กรรมฐานอะไรก็ได้ทําให้จิตสงบได้เหมือนกันแต่ว่าข้นการที่ถูกตามแสงเข้าไปมันจะไม่ได้เป็นอย่านอย่าตามให้ดูเฉยเฉยอย่าตามให้ดูเฉยเฉยให้ให้ให้แสงปรากฏอยู่ถ้ามาหายไปก็ให้มันให้มันปรากฏขึ้นมาใหม่คอืม คำถามจากคุณพิมพ์รวิค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนเงียบไปแต่ไม่ได้หลับเหมือนเป็นช่วงหนึ่งแล้วกลับมามีความคิดอีกทีถือว่าเป็นสมาธิไหมคะต้องทําอย่างไรต่อไปคะก็ถ้าไม่คิดก็ถือว่าเป็นสมาธิแต่จะสมาธิลึกไม่ลึ ก, กนั่นอีกเรื่องนึงหรือนานไม่นานสุขหรือไม่สุขถ้าสมาธิจริงมันจะรู้สึกเบามีความสุขมีความอิ่มใจพอใจสบายใจคําถามจากคุณรสตานัน หากเราฝึกสติและสมาธิมาบ้างแล้วโดยปัจจุบันเริ่มรู้ทันความคิดอารมณ์และเราคิดไม่ดีเราก็รู้แต่ยังไม่สามารถละความคิดไม่ดีได้บางทีรู้สึกไม่ชอบความคิดตัวเองแบบนี้ต้องฝึกสติต่อไปใช่ไหมครับใช่ต้องฝึกจนกระทั่งจิตรวมจิตนิ่งได้ถ้าจิตนิ่งก็สแสดงว่าเราหยุดความคิดได้ต่อไปเวลาจิตคิดอะไรที่เราไม่อยากให้มันคิดแล้วก็สั่งให้มันหยุดได้ แต่ถ้ายังนุจ้จิตไม่รวมจิตยังไม่นี่งยังไม่เป็นสมาธิเต็มร้อยนี่มันก็ยังคิดได้อยูคำถามจากคุณธนพงศ์ค่ะการภาวนาควรฝึกตามจริตเราหรือไม่ครับก็จริตเรามันมีหลายอย่างไม่ใช่มีจริตเดียวเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็ต้องใช้เมตตาเวลาเรามีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติ ร่างกานุสติเวลาที่เราเกิดการมลลมขึ้นมาเราก็ต้องใช้อัด ส, สุภาะดูร่างกายว่าไม่สวยไม่งามดูอาการสามสิบสองบ้างดูซากศพบ้างมันก็จะระงับการมลลมได้ฉะั้นจริตของเรามีหลายด้วยกันอยู่ที่ว่ามันจริตอันไหนมันโผล่ขึ้นมาเหมือนยะเหมือนโรคที่เราเป็นทางร่างกายเนี่ยเรามีหลายโรคเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้อง<ม>เดี๋ยวก็ปวดแขนปวดขา ยาที่เอามาใช้รักษามันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจิตของของใจก็เหมือนกันเป็นเหมือนโรกเวลาโกรธก็ต้องใช้ยาชนิดหนึ่งเวลาโรคอยากจะมีแฟนอย่นี้ก็ต้องใช้ยาชนิดหนึ่ง<ม>เวลาลังเลสงสัยก็ต้องใช้ธรรมะคำสอนมาแก้ลังเลสงสยัยเวลาฟุ้งซ่านก็ให้ใช้พุทโธพุทโธใช้สติหยุดคิดเวลาง่วงนอนก็ต้องลดการการกินอาหารลงให้น้อยลง กินมื้อเดียวเป็นต้อนอย่างี้นี่คือวิธีแก้เจริตต่างๆในตัวเราเรามีทั้งทั้งหมดนี่แหละแล้วแต่ว่ามันตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ยาใช้กรรมฐานที่ถูกต้องถึงจะแก้มันได้คำถามจากคุณกุณลพัฒสอนค่ะวันนี้ไปปล่อยเต่ามาค่ะซื้อมาหกตัวแต่พอปล่อยไปตายหนึ่งรอดห้ารู้สึกผิดไม่แน่ใจว่าน้องตายจากตลาด หรือพอตอนเราเอาขึ้นรถมาจะบาปไหมคะถ้าเราไม่มีเจตนาไม่บาปหรอกเราก็ปรงนิจจังไปแล้วกันว่าเป็นกรรมของสัตว์เรามีเจตนาที่จะช่วยเขาให้เขาอยู่อย่างมีอิสระภาพแต่ถือว่าบุญเขาหมดก็แล้วกันเขาเลยต้องตายไปก็อาจจะดีถ้ามองในเชิงการเวีนว่ายตายเกิดเขาอาจจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อก็ได้คาถามจากทาง youtube คุณเจือไทยคะ่ะ เวลาที่ซื้อของทําบุญไม่ค่อยเสียดายเงินและรู้สึกดีๆแต่เวลาซื้อของสำหรับตนเองแล้วรู้สึกไม่อยากใช้เงินความรู้สึกแบบนี้เป็นกิเลสที่บาบางหรือไม่กลับขอบพระคุณครับใช่เขาเยกวมักน้อยสันโดษนะวเองก็ใช้น้อยๆเท่าที่จําเป็นไม่ต้องหรูหราไม่ต้องสวยไม่ต้องงามเท่าไหร่แต่สําหรับคนอื่นทําประโยชน์ให้คนอื่นนี้ทําให้เขาอย่างเต็มที่อันนี้นิสัยของคนใจบุญจะเป็นอย่างนี้ คำถามจากคุณสมศักดิ์ค่ะปฏิบัติน้อยก็เห็นผลน้อยถ้าปฏิบัติมากก็เห็นผลมากใช่ไหมครับใช่เหมือนรับประทานอาหารน่ยรับประทานจานเดียวกับสองจานผลมันก็ต่างกันคำถามจากคุณสมศรีค่ะขณะนั่งสมาธิมีอาการหาวจามหรือไอควรบังคับไม่ให้เกิดอาการหรือปล่อยไปก็ต้องใช้วิธีกินให้น้อยลงอะไรที่มันหาวเพราะมันกินมากเกินไป หรื อ, อย่าไปนั่งตอนที่กินข้าวเสร็จใหม่ๆมันก็จะหาวได้ถ้าอยากจะนั่งไม่ให้หาวก็นั่งตอนก่อนกินข้าวตอนตอนที่มันยังหิวอยู่อันนั้นมันก็จะไม่หาวแต่มันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดแต่เรื่องอาหารมันอาจจะไม่สามารถอยู่กับลมหรืออยู่กับผู้โทได้แต่ก็ต้องพยายามเจริญสติช่วยเท่านั้นถึงจะทาได้คําถามจากคุณอาทิตย์ค่ะ เมื่อนั่งจนจิตสงบเหลือแต่อุเบกขาแล้วถอยกลับมาพิจารณาไตารักนามรูปเมื่อหมดกําลังก็กลับไปสู่ความสงบกลับไปกลับมาแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกหรอกถ้าจิตสงบแล้วให้รักษาความสงบไปนานๆอย่าไปพิจารณ า, นานให้มันสงบไปนานๆจนกว่ามันจะไม่สงบมันถอนออกมาเองแล้วเราค่อยพิจารณ า, นานคาถามสกุลรีนบิค่ะ พระโสดาบาันเมื่อละจากโลกมนุษย์ไปแล้วสามารถบรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในภพสวรรค์ได้ไหมครับได้ถ้าเขามีมีปัญญาหรือว่ามีอะไรมากระตุ้นให้ปัญญาเขาเดินแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ปัญญาเขาเดินเขาก็อาจจะต้องรอมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วมามีอะไรมากระตุ้นให้เขาต้องเดินปัญญาอีกทีนึงเพราะสวรรค์นี้บางทีมันไม่มีทุกข์มันมีแต่สุข มันก็เลยไม่มีความจะเป็นจะต้องจเจริญปัญญาแต่พอมาอยู่บนโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์พอจะทุกข์เมื่อไหร่ปัญญาก็จะตามมาทันทีทุกข์บ่มีปัญญาบอกเกิดคำถามจากทาง a ฟ e b o o k คุณลูกตาลค่ะฉีดยาฆ่ า, มาแมลงในสวนนับเป็นบาปไหมคะถ้าตั้งใจให้เขาตายก็บาปแล้วแล้วถ้าเขาบาปถ้าเขาตายโดยที่ไม่ตั้งใจก็ไม่ควรจะทา เพราะว่ามันถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจมันก็มันไม่บาปแต่มันก็เป็นทำเป็นการทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนอยู่ดีคําถามจากคุณรัตนาค่ะคนที่บรรลุโสดาบันกลัวผีไหมเจ้าคะต้องไปถามว่าดูเลยแล้วไม่กลัวตายแล้วจะไปกลัวผีได้ไงผีก็คือนางกายเรานี้แหละพวเราต่อไปจะเป็นอะไรนางกายของเราทําให้กลายเป็นผีเดี๋ยวพอเราตายไปปั๊บไม่มีใครจะอยากจะอ ย, ะอยู่ใกล้แล้วใช่ไหม คำถามจากคุณทวินนี่ค่ะถ้าเราเห็นอารมณ์เช่นโกรธเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจึงเห็นว่าความคิดอารมณ์มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรอยู่ตลอดถ้าเราเห็นเช่นนี้เรื่อยๆแต่ยังในระดับความคิดถือว่าทำให้กิเลสลดลงได้บ้างไหมคะหรือจะตัดได้จริงยังไงก็เกิดจากการมีสมาธิที่ดีก่อนถึงจะลดกิเลสได้จริงก็อยู่ที่ว่าเราทุกับมันหรือไม่ เราเราทุกกับมันก็แสดงว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีตันหาความอยากอยู่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดับไปเราเฉยเฉยไปอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีกิเลสคำถามจากคุณธนพงศ์ค่ะถ้าเราโอนเงินฝากให้คนอื่นซื้อของใส่บาตรเราจะได้บุญไหมครับแล้วคนซื้อใช้เงินเราแต่เขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองเขาจะได้บุญร่วมกันกับเราไหมครับ ถ้าเป็นเงินของเราบุญที่เกิดจากการใช้เงินนั้นเป็นของเราทั้งหมดคนที่เขาช่วยเราเขาได้อย่างอื่นเขาเขาได้บุญด็กชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นคำถามจากคุณจิรวันค่ะขณะฝึกเดินจงกรมพยายามกำหนดยืนหนอก่อนเดินเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านจนบางครั้งเหนื่อยจนเหงื่อออกและระหว่างเดินก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ ควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะควรจะใช้พุโทโธพุโทโธไปได้มันก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปถ้าไม่มีพุโทโธมันก็จะฟุง้งซ่านแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธได้ทักพังเดี๋ยวความฟุ้งซ่านก็จะหายไปหมดแล้วนะโอเคเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชอญ